สอนของพุทธศาสนาทั้งที่เราได้ฟังจากบทสวดมนต์ก็ดีหรือที่ได้สาธยายพระสูตรสาคัญธรรมจักรกับประวั ต, นตินาศูนรเมื่อสักครู่ก็ดีจะมีการพูดถึงเรื่องทุกข์หรือความทุกข์นี่มากนะ จนบางทีก็มีการพูดกับว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแบบทุกนิยมนะหรือมองโลกในแง่รลายแต่ที่จริงแล้วที่ท่านพูดถึงทุกมากเนี่ยก็เพราะว่าทุกกับทำสัมพันธ์กันมากนะ ทุกข์กับธรรมะเนี่ยเรียกว่าสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนแยกไม่ออกนอกจากเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องเจอทุกข์เสียก่อนถ้าไม่เจอทุกข์นี่ก็เข้าถึงธรรมหรือพบธรรมได้ยากในแง่หนึ่งก็เพราะว่า ทุกนี่แหละมันจะเป็นตัวผลักให้เราเข้าหาธรรมะคือถ้าสุขสบายดีก็ไม่รู้สึกดิ้นรนที่จะต้องเข้าหาธรรมะแต่พอทุกข์แล้วเนี่ยนะมันอยู่เฉยไม่ได้ละก็ทำให้ต้องเข้าหาธรรมะเหมือนกับว่าเจอร้อนแล้วนี่อยู่เฉยไม่แล้วไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาน้ามาดับร้อนหรือ ผลักให้เข้าหาที่ที่มันสงบเย็นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ก็เหมือนกันเราสังเกตมาตามหน้าห้างเซเนีเ่นีมักจะมีพวกหมาข้างถนนมันนอนในกรุงเทพนี่จะมีหมาหลายตัวนะนิยมไปนอนที่หน้าร้าน7ซเเพราะอะไร เพราะว่ามันมีแอร์พรประตูเปิดนี่แอร์เย็นๆหมาชอบเพราะว่ามันข้างนอกมันร้อนนะตามถนนมันร้อนนะมันก็รู้นะคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่พบทำก็เพราะว่ามีความทุกข์ผลักดันอย่างเราก็คงรู้จักนะท่านโกเอนกาเนี่ยโกเอนการนี่ก็ เป็นครือหัาที่มีบทบาทสำคัญมากในการเผยแผ่ธรรมะให้แพร่หลายไปทั่วโลกคำว่าวิปัสสนาที่ฝรั่งรู้จักกันเนี่ยก็มาจากศูนย์วิปัสสนาของท่านโกเรนกานะนี้พอพูดกับฝรั่งว่าวิปัสสนานี่ไม่ต้องแปลและเขาเข้าใจ จนบางทีเข้าใจว่าหมายถึงการปฏิบัติแนวของท่านโกเอนกาอย่างเดียวนะที่จริงวิปั ส, สนามีความหมายกว้างกันนั้นจากการที่ท่านโกเอนก่านี่หันมาสนใจพุทธศาสนาจนท่านเป็นครูบาอาจารย์สาคัญนี่ก็เพราะว่าทุกนั่นเองคือท่านเป็นไมเกรนนะตั้งแต่ยังหนุ่มนะสากว่าเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย เงินมีมากมายแต่ว่ารักษาไมเกรนไม่ได้ก็มีคนแนะนำให้ไปลองทำสมาธินะก็ไม่เคยท่านก็ไม่เคยรู้จักสมาธิมาก่อนแต่ว่ามีคนแนะนาก็ไปนะก็ไปฝึกกับพระนะท่านเกิดที่พมา่าก็ฝึกกับพระพระมาะ่าปรากฏทำไปแล้วได้ผลคือว่าไมเกรนหาย พอเมื่อเกลนหายก็เลยเกิดศรัท ธ, ธาขึ้นมาปฏิบัติสม่ำเสมอจนกระทั่งกลายเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิปัสสนาทําไปทําไปก็เลยกลายเป็นอาจารย์วิปัสสนาเสียเองแต่ถ้าไม่เกิดเหตุที่ต้องทําให้ถูกขับไล่ออกจากประเทศก็คงจะไม่เป็นอาจารย์วิปัสสนาชื่อดังนะเพราะพมา่านี่อาจารย์วิปัสสนาเกือบทั้งหมดเป็นพระ แต่เนื่องจากรัฐบาลพม่าตอนนั้นเขามีนโยบายยึดกิจการต่างๆเป็นของรัฐกิจการของครอบครัวท่านโกวองกาซึ่งก็ร่ำรวยนะและเนื่องจากเป็นของเป็นชาวอินเดียนะพื้นเพเป็นชาวอินเดียก็เลยถูกยึดมาเป็นของรัฐก็เลย อยู่ที่อินเดียอยู่ที่พม่าไม่ได้แล้วนะต้องไปต้องรีบัยไปประเทศอินเดียไม่งั้นไม่มีทางทำมาหากินได้เจริญก้าวหน้าพอไปอินเดียก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ได้ไปสอนธรรมะได้เก่งอย่างเต็มที่เพราะาอินเดียนี่ไม่ค่อยมีพระแทบจะไม่มีเลยอาจายวิปัสสนาก็ไม่ค่อยมีพอท่านไปอินเดียก็เลยมีบทบาทสําคัญเป็นอาจารย์วิปัสสนา เขจาในเดียวก็เลยแพร่หลายกระจายไปสู่ยุโรปอเมริกาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะทุกนะทุกผลักดันให้เจอธรรมะนะทั้งความเจ็บความป่วยทั้งการถูกบีบบังคับไปต้องออกจากประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีหลายคนนะที่มาพบธรรมมากเพราะความเจ็บความป่วยและโรคหนึ่งที่ทาให้คนเข้าหาธรรมะมา ก, กคือโรคมะเร็ง เพระมะเร็งนี่มันเป็นโรคที่ถึงตายรักษาได้ยากใครที่เป็นมะเร็งแล้วนี่ก็ก็นึกถึงความตายขึ้นมาแต่หลายคนพอนึกถึงความตายแล้วก็เห็นว่าธรรมะนี่จะช่วยบำบัดความทุกข์ทำให้ใจสงบได้พึ่งยาพึ่งไม่ได้แนละ้วไอ้โรคมะเร็งเนี่ยก็พึ่งได้บ้างแต่ว่าต้องอาศัยธรรมะช่วยดับความทุกข์ใจด้วย หลายคนก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เลยเจอธรรมะบางคนเน่องจากขอบคุณนะขอบคุณโรคมะเร็งว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่มีทางได้พบสิ่งวิเศษที่สุดในชีวิตนะคือธรรมะเพราะว่าธรรมะทำให้ได้พบกความสงบใจได้พบกับคำตอบว่าเกิดมาทําไมอะไรคือคุณค่าอะไรคือความหมายของชีวิต บางคนไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าธุรกิจล้มละลายโดยเพราะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40นี่ทำให้มีคนมาสนใจธรรมะเยอะที่ธรรมะได้รับความนิยมมากในเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยส่ว น, น ก, ก็เป็นผลจากวิกฤตปี40นี่แหละที่ทำให้หลายคนสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่ใช่แค่ซีเนอร์ปดาตัวอย่างเดียวแต่ยังมีหนี้กองทัพท่วมทนใจไม่รู้ไปไหนก็เลยต้องอาศัยธรรมะดับความทุกข์ก็เลยมากลายเป็นผู้ไฝ่ธรรมคนที่สอนธรรมที่เป็นคารวะหลายคนที่มีชื่อก็เป็นเพราะวิกฤตเศรษฐกิจปี40นี่แหละนะถือถ้าเขายังมีความ จเจริญรุ่งเรืองในทางการงานก็คงไม่เหลียวแลธรรมะเพราะคิดว่าความรู้ที่ตัวเองมีหรือว่ากิจการที่ตัวเองมีหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองอมีมากมายนี้เป็นคําตอบของชีวิตได้แต่ว่าพอสถานการณ์บีบังคับให้ไม่เหลืออะไรเลยนะก็เลยต้องอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งล้บางคนก็เสีย คนรักเนะเสียพ่อเสียแม่เศร้าโศกเสียใจขึ้นมาก็เลยต้องไปหาธรรมะมาดับความทุกข์ในใจบางคนเสียลูกมีพย่อคนหนึ่งก็เล่อยฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนรูปชายอายุ 15, มาขอแม่ ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแม่ก็เห็นว่าลูกนี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความใฝ่รู้พึ่งตัวเองได้ก็เลยเนี่ยให้ไปเพราะเห็นว่าอินเดียนี่ก็เป็นประเทศที่น่าจะทำให้ลูกได้เรียนรู้หลายอย่างรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยให้ลูกไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าจมน้ำตาย ไปเที่ยวแล้วก็เกิดมีก็เกิด ident, อุบัติเหตุนะจมน้ําตายพอแม่ได้ขาแม่ก็ช็อกเลยไม่ได้แค่เสียใจที่ลูกตายแต่รู้สึกผิดด้วยว่าตัวเองมีส่วนทําให้ลูกตายคือโทษตัวเองว่าการนอนุญาตให้ลูกไปเรียนอินเดียนี่นแหละเป็นเหตุให้ลูกตาย ในใจก็คิดแต่ว่าไม่น่าอ น, นุญาตให้ลูกไปอินเดียเลยวันนั้นถ้าวันนั้นแม่อ น, นุญาตให้ลูกไปอินเดียลูกก็ไม่ตายก็เฝ้าแต่คิดวนเวียวลงโทษตัวเองหัวใจเลยแทบจะสลายเสียสูญเสียสูญเป็นปีก็ไม่ไม่มีไม่รู้สึกดีขึ้นสุดท้ายก็เลยต้องเข้าหาธรรมะพอได้ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะ ก็ได้เข้าใจเลยว่าเออคนเรานี่มันหนีความพัดพลาดสูญเสียไม่ได้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายความพัดพราดสูญเสียความแก่ความเจ็บความตายนี่ไม่มีใครหนีพ้นและทุกคนก็มีกรรมของตัวเองนะบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าอันนี้ก็เป็นผลของกรรมทั้งนั้นคนเรามาเจอกันมามีชีวิต อ, อยู่ได้กันว่าเพียงแค่ชั่วคราว มีชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้จากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งพอเห็นความจริงเช่นนี้ก็ก็คลายความเศร้าโศกในในตัวรูปได้คลายเดียกันการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิพอหนาก็ทําไม่ได้ได้รู้นะได้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวความเศร้าโศกเสียใจก็ดีความรู้สึกผิดก็ดีแต่ก่อนมันก็กัดกินใจมากแต่ตอนหลังก็ ทำอะไรจิตใจไม่ได้มันเกิดขึ้นก็เห็นมันดับไปเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับไปไม่ยึดไม่ไม่ไม่เหนียวอารมณ์นั้นเอาไว้ให้กัดกินใจก็เลยจิตใจก็เลยเบาสบายโปร่งโล่งนะเวลานี้เนี่ยนึกถึงลูกก็ไม่ไม่เสียใจแล้วเพราะเข้าใจแล้วและทำใจได้ก็กลายเป็นว่า ทุกวันนี้ก็มีชีวิตที่มีจิตใจที่เบาสบายนะเรียกว่ายิ่งกว่าตอนที่ยังไม่เสียลูกสิตอนที่เสียลูกก็ยังยังมีความทุกข์ตามภาษาปุุชนแต่ตอนนี้ก็แม่ยังเ ป, ป็นปุุชนอยู่แต่ว่าปล่อยวางได้มากขึ้นก็เลยขอบคุณลูกนะขอบคุณลูกนะที่ทำให้แม่ได้พธธรรมะ เธอบอกว่าเนี่ยความตายของลูกนะ่ะแบบคุ้มค่ามากเพราะว่าทําให้แม่ได้มาพบธรรมะอันประเสริฐยิ่งคงมีแม่ไม่กี่คนที่จะบอกที่จะพูดว่าขอบคุณที่ลูกเสียชีวิตหรือขอบคุณความตายของลูกนะาะว่าความตายของลูกมันยิ่งใหญ่มากัแต่เธอก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะว่าสิ่งที่ได้พบนะอันเป็นพยานการสูญเสียลูกนี่มันมัน มันมีคุณค่ามากเหลือเกินมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนเจอทุกแบบที่เรียกว่าน้อยคนจะได้เจอเจอเป็นสาวา ส, สาวสวยนะอายุ21ปีเป็นดามหาวิทยาลัยวันหนึ่งก็ไปติดต่อพบผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตก็เลยติดต่อเรื่อยมา ติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายหลงรักทันะ้งที่ไม่ได้เจอตัวยิ่งเจอตัวยิ่งหลงรักเข้าไปใหญ่แต่พอเธอไม่เธอบอกว่าไม่ได้รักแบบหนุ่มสาวผู้ชายโกรธมากเอาน้ําสดเอาน้ํำกรดสาดหน้าเธอเลยเสียโฉมทั้งใบหน้าเลยนะแถมตายยังบอดอีกข้างหนึ่งนะคนที่ให้คุณค่ากับ ความสวยความงามให้คุณค่ากับใบหน้าที่飒 ส, สวยนี่พอน้ํากรดทําลายให้เสียโฉมนี่ตายดีกว่าอัเธอเคยคิดถึงการฆ่าตัวตายนะแต่ว่าพอนึกถึงแม่แล้วก็เปลี่ยนใจนะไม่อยากจะทำร้ายตัวเองเพราะจะทําให้แม่เสียใจแต่ก็เลือกที่จะย้ายบ้านย้ายกันทั้งทั้งลูกทั้งแม่เลยเพราะว่า อับอายที่คือทนเห็นคนรู้จักมาทักทายไม่ได้คนรู้จักเขาก็คงไม่อยากทักทาย เ, ยเพราะหน้าตานี้มันเปลี่ยนไปเยอะเล ย, ยเรียกว่าอัปลักษณ์ก็ได้ก็เรื่อมีชื่อด้วยความทุกข์นะแต่ผ่านไปสามสีป่ปีเธอเหมือนกับกลายเป็นคนใหม่ไปเลยก็ไม่รู้สึกอับอายกับใบหน้าที่เสียโฉม ปล่อยวางได้ไปทำงานด้วยดวยการนั่งรถไฟฟ้ามีคนมาทักก็ไม่ได้รู้สึกอับอายอะไรเป็นพนักงาน call center ธนาคารแห่งหนึ่งก็เรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งในทางการงานแล้วก็ในชีวิตก็สบายมีความสุขมีคนมาถามว่าเธอโกรธคนที่สาดน้ำกรดสาดหน้าเธอไหม เอา น, น้ำกรศดสา์หน้าเธอเธอบอกไม่ไม่โกรธเลยขอบคุณเขาได้ซ้ำํำขอบคุณคนที่เอาน้ํำกรดสา์หน้านะทำไมล่ะก็ เ, เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอนะมีคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือนอกใจทําให้เธอได้มีโอกาสใกล้ชิดกับแม่มากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ถ้าหน้าตาไม่เสียเฉลียวคงไปเที่ยวหลงระเริงกับความสุขกับแสงสี พอเป็นอย่างนี้แล้วอยู่บ้านดีกว่าอยู่กับแม่ดีกว่าได้ใกล้ชิดแม่แล้วก็ยังทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นอย่างไรหลือก็คือว่าไม่ไปยึดติดถือมั่นกับรูปร่างหน้าตาแล้วและล่นให้ปล่อยทำให้ปล่อยวางในหลายสิ่งหลายอย่างได้มากขึ้นเธอบอกว่าเนี่ยไอ้ความหน้าตาเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมไปวันยังค่าไม่ช้าก็เร็ว แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมันเกิดเร็วไปหน่อยแต่แม้กระ น, นั้นก็ทําให้เธอปล่อยวางได้ได้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วไปแล้วก็ทําให้เวลาเจอเรื่องกระทบใจหลายอย่างเช่นคําพูดของผู้คนสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจนี่เธอก็ปล่อยวางได้มากเพราะว่าไอ้หนั ก, กวันนี้ก็ปล่อยวางมาแล้วอันนี้เลยก็เรียกว่าการที่เสียโฉมนี่มันทําให้เธอได้เข้าใจความจริงของโลกแล้วปล่อยวางได้มากได้เร็วขึ้น อันนี้เรียกว่าเธอบอกว่าใช่ว่าคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคือว่าไม่ไปยึดติดถือมัน่นกันสิ่งที่มันเป็นของชั่วครางช่วคราวนีน่เป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่าเป็นเพรา ะ, ะเจอทุกเนี่ยถึงได้มาพบธรรมะแต่ที่จริงความสัมพันธ์ระหว่างทุกกับธรรมะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะเพราะว่า ถ้าใครควรที่ดีก็จะเห็นว่าการที่เจอทุกนั่นแหละทำให้ได้รู้จักธรรมะโดยตรงเลยนะอย่างที่เล่าเรื่องนางกีสาโคตมีนะที่เสียลูกไปถ้าเธอไม่เสียลูกก็คงจะไม่เห็นเห็นว่าไอ้สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงที่จริงกีสาคนนีเป็นคนฉลาดนะ แต่ว่ายากที่จะพบทำได้ถ้าไม่เสียลูกลูกที่ยังเล็กน่ารักแต่ว่าพอเสียลูกไปนะก็เห็นเลยว่าโอสังขารนี้นะมันหนีไม่พ้นความพัดพราาสูญเสียการเกิดมาอย่างที่เล่าไปพอเธอยอมรับได้ว่าทุกคนต้องตายและทุกคนต้องสูญเสียคนรักสิ่งเป็นที่รักพอลูกไปไปเผาแล้วนี่ มาทูล ม, มากราบพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมนะแค่ไม่กี่ประโยช์เท่านะั้นแหละนางบรรุธรรมเป็นพระพระโสดาบันเลยธรมรมะนั่นก็คือเรื่องของความพัดพา่าสูญเสว่าเนี่ยน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลชั้นใดนะความตายก็ย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในคนรักนะ ฉันนั้นคือพัดพาให้ทุกข์ให้จมอยู่ในความทุกข์เนื่องจากตัว เ, เนี่ยเจอความทุกข์มาด้วยตัวเองก็ซาบซึ้งเลยนะคำสอนนี้ซาบซึ้งแก่ใจคือถ้าไม่สูญเสียเนี่ยฟังไปก็ก็แค่รู้นะแต่พอสูญเสียด้วยตัวเองเนี่ยฟังทำแค่นี้แหละก็เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเลยเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากปล่อยวางเลยนะ ก็เลยกลายเป็นพรอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันอันนี้ก็เช่นเดียวกับนางปตจารานนปตจรานี่ก็ไม่ใช่เสียแค่รูปคนเดียวนะเสียสองคนเสียสามีแล้วก็เสียพ่อเสียแม่ทรัพย์สมบัติที่ของพ่อแม่ก็ถูกฆ้าผ่านะหมดเลยตัวเองนี่เรียกว่าซินเนอร์ปดาตัวการสูญเสียนี่เกิดขึ้นไล่เรียกกันอย่างรวดเร็วมากไม่เหลือใครเลย จนกทั้งแทบจะเป็นบ้าพอมาเจอพระุทธเจ้าพระองค์ไดนะ้พูดเตือนสติพอตั้งสติได้นี่พองค์ก็แสดงธรรมก็เรื่องนี้แหละนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเรื่องความเป็นทุกข์ของสังขารนะวิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะคือถ้าไม่เจอทุกข์ในตัวเองนี่ก็ ไม่มีทางที่จะซึ้งถึงทำได้ปนะระเทลีบางท่านนี่แก่ ง, งอมเดินไปไหนก็ต้องก็ย่องก็แย่งมีไม้เท้ายัานะมีคราวหนึ่งเกิดเดินพลาดนะหกลม้มตัวกระแทกพื้นเจ็บปวดมากเลยไอ้ตอนที่เจ็บนี่นะก็เห็นทำเลยนะโอ้สังขารเป็นทุกข์นะสังขารนี่มันไม่น่ายึดถือเลย เกิดปัญญาปล่อยวางสังขารนะก็บรรลุธรรมได้อันนี้ก็เรียกว่าบรรลุธรรมเพราะความทุกขนะ์บรรลุธรรมเพราะความแก่คือไม่เป็นต้องเป็นบรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระริยเจ้านะบางทีก็เห็นทารรในระดับที่ที่ที่ย่อมลงมาหน่อยนะคือไม่ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุธรรมเป็นพระริยเจ้าแต่ว่าความทุกข์ก็สามารถจะ ทำให้เราไดเห็นธรรมจนกระทั่งปล่อยวางได้มากอย่างเช่นน้ําท่วมนะใหญ่เมื่อสองปีที่แล้วนี่ผู้คนก็สูญเสียกันไปเยอะนะมีบางคนนี่สูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากมายนะแต่ว่าได้ธรรมะนะเป็นรางวัลหรือได้เห็นแล้วโอมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะทรัพย์สมบัติที่มันอยู่กับเรานี่เป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่นานก็ต้องแยกจากกัน นะไม่มีคนเอาไปก็ถูกน้ําพัดพาไปนั่นนี่ก็เป็นธรร ม, มะนี่ที่เกิดจากการที่ได้เจอความทุกข์จากน้ําท่วมแต่ใครที่ไม่เจอไม่ไม่เจอธรรมะแบบนี้ก็ถือว่าขาดทุนนะคือเสียทั้งทรัพย์แล้วก็เสียใจด้วยแต่หลายคนที่เจอทุกข์แต่เห็นธรรมนะอันนี้เรียกว่าคุ้มมากาลองพิจารณาดูเถอนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามัน เป็นสิ่งเลวร้ายอย่างเดียวนะมันสามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้แก่ชีวิตของเราได้โดยเฉพาะธรรมะนะมันสามารถจะเขย่าใจของเราเนี่ยให้เกิดปัญญาจนเห็นธรรมะได้ไม่เวลนเราเจอความทุกข์นี่เราอย่าไปอย่าไปอย่าไปตีอกชกัวว่าโอยเราทำไมเราถึงมีครอบ ก, กรรมอย่างนี้นะ จะคิดแบบนั้นก็ได้นะถ้าคิดแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออมันต้องเข้าไปหาธรรมะนะเป็นเครื่องดับความทุกข์ในจิตใจหรือว่าเวลามีธรรมะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็พยายามที่จะหาประโยชน์จากมันมองดูให้ดีนะความทุกข์เนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่ประโยชน์ในทางโลกๆอย่างว่าเออพอมีคนพอเราทุกข์แล้วก็มีคนมาเยี่ยมเยียนมาให้กําลังใจ แต่มันสามารถทําให้เราได้เห็นความจริงหลายอย่างยิ่งทุกข์มากๆนี้ก็โอกาสที่จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้นก็มากขึ้นผูนะ้หญิงคนหนึ่งวันหนึ่งมาพบว่าสามีที่อยู่ด้วยกันมาสึกบกว่ปีเนี่ยเขานอกใจเธอโกรธแค้นมากเลยนะโกรธแค้นสามีมากถึงกับดา่าเรียกสามีเป็นมึงนะหรือว่าด่าเป็น เป็นหมูหมาไปเลยสุดท้ายก็เลิกยากันนะพ อ, อยากันได้เธอก็สบายใจนะก็รู้สึกเออแปลกใจนะที่เรามามีเราทุกข์ไม่นานเลยนะก็นึกว่าเป็นเพราะปฏิบัติธรรมมาทำให้ปล่อยวางได้เร็วแต่ที่ไหนได้นะพอไปปฏิบัติธรรมหลังจากนั้น3สเดือน ได้เข้าคอสปฏิบัติธรรมเจคืน8วันบอกว่าแค่วันแรกเท่านั้นแหละจิตใ จ, จก็รุ่มร้อนเลยเพราะมันนึกถึงใจนึกถึงอดีตสามียิ่งนึกก็ยิงแค้นเพราะรู้สึกว่าถูกหักหลังถูกหลอกลวงไอ้ที่เคยคิดว่าตัวเองปล่อยวางได้ที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะมันใจยังไม่ว่างทั้งหางทำโน่นทำ น, น, ทำนี่ใจเลยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องสามีพออยู่ว่างๆมาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมันว่างเนี่ยมันก็ไปคิด เอาเรื่องเก่าๆมาคิดก็ยิ่งแค้น ว, วันละวันแรกก็ไม่สงบวันที่สองก็ยังร้อนอยู่ปฏิบัติมาสามวันก็ยังร้อนเพราะนึกถึงอดีตสามีพอนะวันที่สีเนี่ยขณะที่ใจยังรุ่มร้อนอยู่เนี่ยเดินจงกรมอยู่เดินเป็นชั่วโมงตอนที่เดินนี่ก็เอามือกุมไม้ข้างหน้าพอเดินไปนชั่วโมงเนี่ยมันเมื่อยนะมือมือแขนนี่เมื่อย เมื่อไรทํงานก็ปล่อยพอปล่อยก็สบายตอนนั้นที่เกิดปิงขึ้นมาเลยว่าโอ้ปล่อยเมื่อไหร่สบายเมื่อ น, นั้นทีนี้มันไม่ใช่แค่มือหรือแขนที่สบายนะใจก็พลันสบายขึ้นมาด้วยเพราะว่าเห็นเลย ว, ว่าไอ้ที่เราไอ้ที่ทุกทุกที่ร้อนเนี่ยเป็นเพราะยึดเอาไว้จะไปยึดเรื่องของสามีซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วเอามายึดทําไมเอามาแบกทาไมนะ พอเห็นเช่นนี้ปล่อยเลยนะคือที่ไปนึกถึงสามีนี่เป็นเพราะลืมไม่มีสติขนาดปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าใจมันไม่มีสติใจไปไปยึดติดถือมั่นคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วพอพอรู้เท่านั้นแหละนะว่ายึดทําไมยึดแล้วทุกปล่อยดีกว่าปล่อยแล้วสบายก็ปล่อยเลยนะอันนี้สงบเย็นเลยนะเห็นเลยนะโอ้ว่าที่ทุกนี้เป็นเพราะ เราไปยึดแท้ๆไม่ใช่เพราะสามีเขาไม่เขาหักหลังเขาอทรยศเรานั่นไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาหลักปัญหาเราคือเป็นเพราะใจเราไปยึดนั่นเองนี่นี่คือธรรมะที่เธอได้เห็นนะจากการที่ประสบความทุกข์มาด้วยตัวเองเอาะฉะนั้นในเวลาเราเจอความทุกข์นี่นะรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์ให้ได้อันนี้แหละคือเหตุผว่าทำไมพระพุทธเจ้าหรือว่า ภาษาบท่านหลายท่านถึงพูดเรื่องความทุกข์พูดเรื่องทุกข์เยอะๆะเพราะว่าทุกข์กับธรรมะนี่มันใกล้กันมากถ้าเราเจอทุกข์มันก็มีแรงผลักให้เขาหาธรรมะและถ้าเราไม่ใช่แค่เจอทุกข์แต่เรารู้ทุกข์ด้วยไข้วรวนทุกข์ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้พบความจริงหรือพบธรรมะได้หรือผู้อยญ่เนี่คือว่าเมื่อรู้ทุกข์ก็พบธรรมเมืม่อเราเจอความเพิ่งลองดูท่านนะ ที่พระเจ้าสอนเรื่องเรื่องทุกเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นทุกนะแต่เพื่อให้เราได้รู้ทุกนะอย่างน้อยเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่เห็นทุกก่อนคนเราถ้าเห็นทุกแล้วเนี่ยมันไม่เป็นทุกนะอที่เป็นทุกเนี่ยเพราะไม่เห็นทุกถ้าหากว่าเราเห็นทุกเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เป็นทุกแร้วสังเกตมไหมเวลาเราเวลาเรา มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นไม่ว่าในขณะปฏิบัติธรรมหรือในเวลาปกติก็ตามเวลามีความหงุดหงิดเวลามีความโกรธนะถามว่าทุกไหมทุกคนก็ทุกทั้งนั้นแหละแต่ลองพอมีสติเห็นเลเห็นความหงุดหงิดเห็นความโกรธเนี่ยให้ความทุกนี้มันเบาไปเลยเพราะว่าเห็นแล้วไม่ใช่ผู้เป็นนะส่วนใหญ่พอมีทุกแล้วไปเป็นทุกเลยนะไม่ใช่เห็นทุก ต้องฉลาดนะในการที่จะเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ฉลาดที่จะเห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธฉลาดที่จะเห็นความหงุดหงิดไม่ใช่เป็นผู้หงุดหงิดนะส่วนใหญ่ก็ไม่หรอกนะพอมันเกิดความโกรธขึ้นก็เป็นผู้โกรธเลยแลโกรธแล้วเนี่ยร้อนนะก็ยังไม่รู้สึกว่าร้อนนะบางทีเพราะว่าไปใจนี่มันหมกมุ่นอยู่กับการที่จะ ด่าเขาสรรหาถ้อยคำประด่าเาให้เ จ, บ, เจบแสบหรือว่าคิดหาคนทางแก้แค้นร้อนก็ร้อนนะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่รับรู้ความร้อนด้วยนะเพราะว่าคิดแต่จะเล่นงานตอบโต้แก้แค้นเขาบางทีทุกยังไม่รู้ว่าทุกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยเมื่อมีทุกเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือต้องกําหนดหรือรู้ทุกอย่างที่เราสวด เมื่อสักครูนเนี่ยธรรม ะ, ะความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์เวลาทุกข์เนี่ยอย่างไรกที่ต้องทําคือต้องรู้ทุกข์นะคือรู้ว่ากำลังทุกขอกก์อยู่รู้ว่ากำลังโกรธอยู่รู้ว่ากําลังหงุดหงิดนะมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่รู้ก็มีนะเพราะว่าถูกมันครอบถูกอารมณ์มันครอบ การมีสติช่วยทำให้เรารู้ทุกได้นะชัดเจนขึ้นเป็นลําดับเริ่มจากการรู้เออกำลังทุกอยู่นะแล้วก็ต่อมาก็เห็นว่าเออไอที่ทุกนี่มันไม่ใช่เราทุกนะมันเป็นกายที่ทุกมันเป็นกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดไอที่ร้อนนี่ไม่ใช่เราร้อนนะมันเป็นกายที่ร้อนที่โกรธนี่ไม่ใช่จิตมันโกรธนะไม่ใช่ที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะ แต่เป็นจิตที่โกรธถ้า ม, มีสติก็ไม่เห็นนะก็ไปคิดว่ามีเราไปหมดเลยนะเราปวดเราเจ็บเราโกรธเราโมโหมันมีแต่ตัวเราเป็นนะผู้กระทาแต่พอเรามีสติเราเห็นอ๋อปวดนี่มันเป็นเรื่องของกายนะส่วนความโกรดนี่เป็นเรื่องของใจ เวลาเดินก like <Türkiye. S 1> ็เห <t mots enos> mm ็น hmm. ว่าเออที่เด like, ินนี่เป็นรูปเวลาเผลอคิดก็รู้ว่าเห็นว่าที่คิดนั้นมันเป็นนามมันไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นรูปนะที่เดินเป็นนามที่คิดมันก็จะเริ่มเห็นแยกออกเป็นส่วนๆแล้วต่อไปก็จะเห็นว่าออไอ้ที่โกรธเนี่ยมันไม่ใช่จิตที่โกรธที่ซ้ำนะความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะเวลาเมื่อยเนี่ย หรือเวทนาเนี่ยมันก็เห็นนะว่าโ เ, เวทนาก็อันหนึง่งร่างกายหรือหรือรูปก็อันหนึง่งมันจะเห็นแยกเป็นส่วนๆแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เลยนะจะไปรู้สึกโอ้ยฉันปวดฉันปวดฉันเมื่อยฉันเมื่อ ย, ยส่วนใหญ่เราไปปลอยครั้งเราไปเอาความทุกข์ของรูปความทุกข์ของนามมาเป็นความทุกข์ของเรา หรือเป็นความทุกข์ของตัวเราให้ตัวเราที่จริงมันไม่มีนะมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ไปไปรับสมอ้างมาเป็นเจ้าของความทุกข์ต่างๆมากมายไปดึงเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของกูไปดึงเอาความทุกข์ของใจมาเป็นความทุกขก์อก ข, อกของกูที่จริงยิ่งทุกข์เท่าไหร่ยิ่งต้องสลัดความทุกข์ออกไปไม่ใช่ดึงมาเป็นของกูของกูหรือดึงมาเป็นตัวกูตลอดเวลา แต่ถ้าเราเจริญสติเราก็จะเนอะเราก็จะเราพอมีทุกข์เราก็จะเห็นเลยนะว่าไอ้ทุกข์นี่มันไม่ใช่เราทุกข์นะมันเป็นกายที่ทุกข์มันเป็นกายที่ปวดนะไอ้ที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นใจที่โกรธและต่อไปก็จะเห็นว่าความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันนึงความโกรธไม่ใช่เป็นตัวจิตนะโกรธอันนึงจิตก็อันหนึง่งแต่พอถ้าไม่มีสติจิตมันก็ไปรวมกับความโกรธ ยึดว่าความปวดเป็นเป็นกูเป็นของกูขึ้นมาก็ทุกมัเหมือนกองไฟนะกองไฟเนี่ย mm hmm. เห็นกองไฟถ้าเอาตัวไปอยู่ในกองไฟมันก็ร้อนเอาตัวไปอยู่ถ้ำกลางกองไฟก็ปวดนะร้อนทรมานแต่พอกล้าออกมาจากกองไฟเป็นเห็นกองไฟว่าอันนึงนะไม่ใช่เรา กองไฟมันมันก็ยังร้อนอยู่นะแต่ว่าตัวเราไม่ค่อยร้อนละเพราะว่าเราอยู่ห่างจากมันจิตที่เห็นความโกรธเนี่ยนะมันก็เหมือนกับคนที่เดินออกมาจากกองไฟมันไม่ร้อนละกองไฟยังมีอยู่แต่ว่าเราไม่ไม่รู้สึกร้อนเพราะว่ามันคนละอันกันเพราะว่ามันแยกจากกันเวลามีความโกรธเนี่ยถ้ามีสตินะก็จะเห็นว่าโอ้ ความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งจิตมันไม่เข้าไปผสมลงกับความโกรธแล้วมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตมันเห็นความโกรธนะแล้วมันจะทุกข์มันจะร้อนได้ยังไงนะเพราะว่าความโกรธไม่ใช่มันละมันแยกออกมาสิ่งที่เราทําในเวลาปฏิบัติคือในเห็นเนี่ยเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจนะไม่ว่าทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เห็นมันเฉย แยกออกมาเหมือนกับเดินแย ก, ออกมาจากกองไฟนะเดินเห่าจากกองไฟนะความทุกข์มันก็ไม่มารบกวนละแล้วพอเราไม่ทําอะไรกับมันนะกองไฟก็ดับไปแต่ที่เราเรายังแต่ที่กองไฟมันยังมีอยู่เพราะเราไปคอยเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันคิดถึงมันเมื่อไหร่ก็เท่ากับเติมเชื้อเติมฟื้น ให้กับมันเท่านั้นคิดถึงคนที่เราโกรธก็ยิ่งโกรธมากขึ้นคิดถึงคนที่เราเกลียกก็ยิ่งเกลียดมากขึ้นเพราะนั่นเรากําลังไปต่ออายุให้ความโกรธความเกลียดความโกรธความเกลียดมันกองไฟนะมันก็มันไม่ได้อยู่ถาวรตลอดกาลมันก็มีเวลาหมอดดับแต่เป็นเพราะเราไปต่ออายุให้มันไปเติมฟืนเติมเชื้อมันมันก็เลยลุกอยู่นั่นแหละต่อเมื่อเราวางนะเห็นมันเฉยเฉยวางนี่ไม่ได้แปลไม่คิดนะเพียงแต่ว่า แต่มายถึงการที่พอมันเกิดขึ้นเราก็ดูมันรู้มันเฉยเฉยมันก็จะไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้ยืดยาวต่อไปได้อันนี้แหละคือการรู้ทุกข์นะความรังการรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์คือไม่เพียงแต่รู้ว่าทุกข์คืออะไรยังรวมถึงว่าเวลาทุกข์ก็รู้ว่าตัวเองทุกข์กำลังทุกข์อยู่แล้วก็รู้ไปถึงขั้นว่าเออไอที่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์ มันเป็นรูปหรือนามกายหรือใจที่ทุกข์มันเป็นขันธ์ห้าที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นธรรมชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นการรู้ธรรมที่ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้ารู้ไปถึงขั้นว่าโอ้ไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์เลยมันมีแต่ทุกข์ไปหมดสังขารทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดกายเราก็ทุกข์ใจเราก็ทุกข์ทุกในที่นี้หมายถึงมันถูกบีบคั้นเนื่องจาก ตกยืดภายใต้ความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขได้อย่างแท้จริงทรัพย์สินเงินทองก็ทุกนะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมมันทุกหมดก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยึดไม่อยากจะเข้าไปครอบครองแล้วที่เราอยากจะเข้าไปครอบครองมันเพราเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราได้แต่พอเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกไปหมดมันก็กองไฟ มันก็ดุดฟืนที่ติดไฟก็ไม่อยากจะเข้าไปยึดเข้าไปจับเข้าไปครอบครองมัอนละเหมือ น, น, มนอย่างที่พูดเมื่อ ว, วานเนี่ยมันปล่อยเองเพราะรู้ว่ามันเป็นของร้อนก็ปล่อยเองไม่จับละอันนี้แหละคือการปล่อยวางปล่อยวางเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์โลกนี้มีแต่ทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์ที่ดับทุกข์เพราะปล่อยและที่ปล่อยเพราะเห็นว่า พรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกในความหมายที่การมันคอยบีบคั้นกับผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้แหละคือความหมายของที่ลึกซึ้งคําว่ารู้ทุก เ, เพราะนั้นพอรู้ทุกแล้วนี่มันมันวางมันปล่อยเองก็เกิดเป็นความอิสระขึ้นมาก็คือพบธรรมะเห็นธรรมะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทุกเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ เราต้องกลัวต้องปฏิเสธเสมอไปนะมันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามากที่เราควรรู้นะถ้าเราเข้าใจชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่หันหลังให้ทุกข์แล้วแต่ว่าเราจะหันหน้าให้ทุกข์เพื่อดูเพื่อใครคขวนมันและเราจะได้ประโยชน์จากมันนะทีแรกทุกข์นี่มันผลักเราให้เข้าอาธรรมะแต่ต่อไปนี่เราบินรี์แก่ก้าเราก็จะดูทุกข์แล้วเราก็จะพบธรรมที่ลึกซึ้งจนทําให้เกิดความสงบเย็นได้ในที่สุด ชาอานนี้ก็เพ่อนกันะับ